50 languages. สิบสสีบกโลหิมะสีขาวมันจูบิลีบันนพระอาทิตย์สีเหลืองสย หัลอดิบันนาส้มสีส้มขตะเลเคมปมิริตาหลอดีบันนาเชอร์รี่สีแดงเชรีหันนูเคมปุบันนาท้องฟ้าสีฟ้าอากาชานีลีบันนาย้าสีเขียว หุ่ลุหสศรุบันนาดินสีน้ำตาลบูมิตันดบันนาเมฆสีเทาโมดบูดุบันนายางรถสีดำทยร์กลุคัปปุบันนาหิมะมีสีอะไร สีขาวมันจูยาวบันนะบิลีพระอาทิตย์มี य? สีอะไรสีเหลือง य? สุริยายาวบันนะหัลดีส้มมีสีอะไรสีส้มคิตะเลียาวบันนะเคมปุมิชริตาหัลดีบันนะ เชอร์รี่มีสีอะไรสีแดงเชอียาวบันน่เข็มปุบันน่ท้องฟ้ามีสีอะไรสีฟ้าอากาชายาวบันน่ะเลีบันน่หญ้ามีสีอะไรสีเขียวคุน ล, ลูยาวบันนะ่ะสซิรุบันนาะ ดินมีสีอะไรสีน้ำตาลบุ๋มียาวบันนาะปันดูบันเนะมฆมีสีอะไรสีเทามดสดาวบันนะบูดูบันนะยางรถมีสีอะไรสีดำไทรกูกยาวาบันคนะัพปูบันนะ